คุณรัตนีดีขึ้นยังอ่าดีแล้วดีแล้วอย่า ก, กลับไปทำอย่างเก่าอีกนะตอนนี้มันเริ่มผิดใจมันเริ่มรูดออกมาแล้ว ทิ้งไปให้หมดหหมแล้วกิเลสเกิดแล้วคอยรู้เอาไปแล้วกไปเวลาโลภะโทสะเกิดอะไรเงี้ยทีแรกเราจะรู้แต่กิเลสห ย, ยาบๆอย่างโกรธแรงๆก่อนแล้วเราค่อยรู้อนะไรเงี้ยต่อไปสติปัญญามันไวขึ้นจิตไวนิดนึงเราค่อจะเห็นะแต่ถ้าเราไปประคองไว้เดี๋ยวจะกลับไปติดอีกไวจะหลุดยากนะ แก้ยากคุณรัตนีแก้ออกมาได้ก็เก่งนะแล้วประคองให้ชินให้ชินเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาตัวนี้โดยตรงเลยนิมิตทั้งหมดอนะ่ะเสียงทั้งหมดอนะ่ะมาจากประคองไว้เกิดจากสมถะงั้นถ้าเราปล่อยไม่ประคองนิมิตมือก็หายหมด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 ถ้าขยับแต่ขยับแต่จงใจปฏิบัติไม่จงใจร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆไม่ต้องไปทําอ่ะทําให้มันเหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาสบายๆจริงแต่ว่าตากับคนธรรมดานิดเดียวคนธรรมดาพอกิเลสเกิดเขามองไม่เห็น ของเราพอกิเลสไหวแวบเข้ามาสติมันเกิดเองมันจะเห็นเองถ้าเห็นเองนะใช้ได้ถ้าจงใจจะไปเห็นนะของปลอมจับใจลอยไหมหั <c oughs> วล้อ เ, เขาเราก็ใจลอยนะ <c oughs> รู้จักเพ่งไหมประคองรักษาลัวจะหลงไปเลยประคองเอาไว้สิ่งที่ผิดในการปฏิบัติมีสองอัน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 ลืมกายลืมใจของเราเองของคุณนั่นไปมอ ง, องไปใจเราลอยไปนึกออกไหมใจลอยใจลอยใจลอยก็คือลืมตัวเองนะงงไหมไมนะ่ไม่สงสัยเลยนะฟังรู้เรื่องดีฟังไปเรื่อยอ้าวไม่ไม่สงสัยแล้วทำไมต้องถามมา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 ให้แค่รู้ทันว่าจิตกำลังหลงไปคิดอยู่ม ไ, มไม่ต้องสนใจอารมณ์ไม่ต้องสนใจเรื่องที่คิดก็ได้เรื่องที่คิดไม่มีความหมายอะไรเรื่องที่คิดเนี่ยเป็นสมมุติปัญญ์เราต้องรู้อารมณ์ปม r a m a t รู้ถึงตัวรูปตัวนามตัวจิตจริงๆจิตจริงๆอย่างตอนนี้กำลังตั้งใจฟังรู้สึกัหมรู้ว่าตั้งใจฟังเนี่ยเรารู้ทันพฤติกรรมของจิตใจเราเอง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 ให้คอยรู้ทันอย่างนี้นะนี่ก็คิดจนเกินแะล้วรู้ไหม <c oughs> อยากพูดรู้ไหม <c oughs> อยากพูดรู้ไหม <c oughs> เห็นแรงดันในอกเราไหมดูซีเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูก่อน <c oughs> อ, อย่าเพิ่งถามนะดูก่อน <c oughs> ถ้าไม่เที่ยงแล้วจะต้องพูดทำไมคือวิธีเรียนธรรมะนะหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้กว่าหลวงพ่อจะได้เคล็ดลับอันนี้นะาลำบากปางตายเลยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหรอก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 ใ, ใจเราเป็นของเลือกไม่ได้ถามไ ด, ด, ตได้ตัวรู้รรรคื อ, คอ จ, จิตที่รู้ทันจิตจิตในจิตก็หมายถึงเราเห็นจิตย่อยๆแต่ละขณะแต่ละขณะเรียกว่าจิตในจิตกายในกายก็คือเราเห็นกายแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ใช่มีกายอันเดียวตลอดชีวิต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 สติเกิดจากการตามรู้ตามรู้กายได้เมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหมเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันเือนตื่นขึ้นมยนี่ไปคิดทราบไหมยังไม่ยอมตื่นรู้สึกไหมว่าเราเกร่งๆไหมเราปรับคองความรู้สึกตัวรู้สึกไหมใจเราเกร่งๆนะให้ไปคอยรู้ทันตัวนี้ไหมของคุณมีปัญหาคือจิตมันติดสมถะ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 เช่นกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจอะไระเงี้ยสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี้เป็นตัวทุกข์ยังไงไม่กำหนดแล้วทุกข์เลยตัญหาคือความอยากปฏิบัติอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเนี่ยคือตัวสมุทัยงั้นเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราลงมือกำหนดปั๊บใจจะแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมาเลยอันเนี้ยสร้างมีสมุทัยมีความอยากปฏิบัติ ก็เกิดการสร้างสภาวะบางอันขึ้นมาเป็นทุกข์วิธีปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างนั้นก็อร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปเราจะเห็นว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราเลยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวได้จิตใจก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราบังคับมันไม่ได้ จะเห็นอย่างนี้เห็นใจรักเห็นเกิดปัญญา น, นั่นเองปัญญาก็คือไปเห็นใจรักของตังขานของความปรุงแต่งของกายของใจรู้จักใจลอยไห ม, มเรียนอันเดียวก็พอใจลอยแล้วรู้ไวๆแค่นี้พอสู้ไหวไหมไม่ต้องเรียนเยอะก็กรรมาฐานมีเยอะนะสำหรับคนหลายๆคนกรรมาฐานสําหรับคนคนหนึ่งใช้ไม่เยอะหรอก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 เหลือสั้นลงโกรธก็รุนแรงน้อยลงเราจะรู้ด้วยตัวเองแอสตันนอกปะแอสตันอะไรนะสองเจ็ดหรือสามเจ็ดเป็นไงพอนนา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 ถ้ารู้ลงปัจจุบันนะั้นมันจะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมานะใจมันจะเบาๆาสบายเอาให้สั้นใช้ได้แล้วล่วนะะจิตมันค่อยๆตื่นแล้วนะรู้สึกไหมมันเบารมความมันหนักหนักหนักเมื่อเราไปเพ่งไหมจิตที่เพ่งแล้วก็หนักหนักเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะต้องระวังเพราะจิตที่เป็นมหาอกุศลจิตมีละหุตามีความเบานะมีลุบมุทุตาความอ่อนโยน ถ้าใจเราแข็งแข็งนะแสดงว่าผิดละ่ะจิต ท, ที่เป็นมหากรูโสจิตเนี่ยคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ว่ามีปากุนตาถ้าทื่อๆซึมๆึมทื่อๆนะผิดละ่ะเป็นอกคุสนนะแอสตันนึกออกไหมที่ก่อนๆเราทําจิตเราจะเป็นอกคุศล น, นะความพลาดของพวกเราอยู่ตรงทีเ่เราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ครบเราเรียนศีลสิกขาเราบอกเราถือศีล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 จิตเรากำลังไปประคองไปกาหนดจดจ้องอยู่ไปทำงานแล้วทำกรรมนะรู้ว่ากาลังทำกรรมอยู่อย่างนี้ยังใช้ได้มันก็จะเลิกการจะทำกรรมแต่ถ้ามันทำไปแล้วหนักๆแน่นๆแล้วนะช่วยไม่ได้ลเป็นวิบากแล้วแก้ไม่ทันนะดีนะแอคชั่นดีขึ้นเยอใช้ได้ลนะดีใจด้วยนะยากนะกว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมายากที่สุดเลย มันมีแต่คนหลงไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะบางคนนึกว่าหลวงพ่อแกล้งว่าแกล้งรับไม่ได้ว่าเลย น, น่าสลดสังเวช ท, ที่สุดเลยในโลกเต็มไปด้วยคนหลงหลงทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยน้อยคนนะที่ได้ฟังธรรมโดอทั้งตื่นขึ้นมาจิตใจตื่นรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงการที่เราตื่นขึ้นมานีหลนะคือต้นทางของการปฏิบัติ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 พระโสดา บ, บันละสักกายทิฏฐิละความเห็นว่าขันห้าเป็นเราพระพุทธเจ้าบอกเลยบุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราคนศาสนาอื่นก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะเห็ น, นหน้าตาเราตอนนี้กับตอนเด็กๆเขาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นคนน้นตายคนนี้ตายเห็นเรื่อยๆ ร, รู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของถาวรจริงจังแต่เรารู้สึกจิตของเรานี่ถาวร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 ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะรวมเข้ามาที่อัปปนาสมาธิราตัดเลยจะตัดสักยะทิฏฐิขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเั่นหน้าที่เราคอยรู้สึกคอยรู้สึกนะรู้ทันจิตรู้ทันใจไม่ใช่ไปบังคับเขาเราเรียนรู้เขาไม่ใช่เพื่อบังคับเขาเราอย่าไปสำคัญผิดหลายคนปฏิบัติทำด้วยความสาคัญผิดสาคัญว่าถ้าเราบังคับกายบังคับใจเราได้ดีแล้วจะบรรลุ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 วิธีเราทํานี้นะแต่ละวันเนี่ยนะตอนเย็นๆเราต้องมีข้อวัดปฏิบัติของเราเราเป็นคารวานะถ้าดีที่สุดเลยก็คือตอนตื่นนอนเนี่ยนะเราไหว้พระสวดมนต์ทระา ม, มาธิหรือเดียนจงกรมนะทําไปเถอะนะก่อนนอนเราก็ทําอย่างนี้นะถ้าทําไม่ได้ตอนเช้าเราก็ทําก่อนนอนสักวันแต่ละวันต้องทํานะมากน้อยควรจะทําเป็นกิ จ, จวัตรจิตใจของเราจะได้มีกําลัง จิตใจของเราเราไหว้พระสวดมนต์เราเดินจงกรมเราทำสมาธิทำไปเราได้กาลังได้สมถรถะเวลาเรานอนเราได้พักผ่อนร่างกายเวลาเราลงมือไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยเราได้พักผ่อนจิตใจพอจิตใจร่างกายเราได้พักผ่อนแล้วตอนตื่นขึ้มนมาเนี่ยมันจะว่องไวเราจะค่อยรู้เท่าทันจิตใจของเราได้บ่อยแต่ถ้าเรารู้ลูกเดียวเราล้าทิ้งข้อวัดปฏิบัติ แต่และ ว, วันจะดูอย่างเดียวเลยไม่สนใจที่จะรู้สึกไหว้พระสวนมนต์อะไรไม่เอาเลยนะเดินจงกลมนั่งสมาธิอะไรไม่เอาเลยนะใจจะอ่อนแอมักจะรู้ไม่ได้จริงหรอกเพราะฉะนั้นะแต่ละวันให้มีข้อวัดไว้บ้างนะทาทุกวันตั้งใจทุกวันนะแต่ว่าไม่ต้องตั้งใจเยอะไม่ใช่ว่าทุกวันต้องเดินสามชั่วโมงนะวันไหนทําไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นต้องชดเชยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเครียดตะเทียดจัดนะตั้งไวน้นิดหน่อยเช่น จะต้องทำอย่างน้อยสิบนาทีอะไรเงี้ยจะทำเกินก็กำไรแล้วเราทำเป็นกิจวัดจิตใจเราจะมีกำลังแล้วเราก็เลือกคบคนคบคนที่เขาพูดเรื่องการเจริญสติอะไรเงี้ย้าเราครบคนชนิดไหนเราจะกลายเป็นคนชนิดนั้นคราวหนึ่ง พ, พูดเจ้าอยู่ในป่าพ่อจําชื่อไม่ได้ละป่าอะไรมีพระรับสาวกผู้ใหญ่นะอยู่กันเยอะ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 พวกที่ตามถ้ามาหากัสสปะเนี่ยพวกนี้ชอบผู้ดงแล้วก็ชี้ไปทางทระนนพวกที่แวดล้อมทระนนนะพวกพรหูสูตรอยากรู้เยอะชี้ไปทางผู้แวดล้อมพระเทวทัตภิกสูเหล่านี้ทั้งหมดปราศนาลามกเพราะฉะนั้นเราครบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นเราครบคนที่มีสติเราจะเป็นคนมีสติเราครบคนประมาทมัวเมาเราจะกลายเป็นคนที่ประมาทมัวเมา นั้นอย่งการที่เราดำรงชีวิตกับโลกเนี่ยอย่างเรามีเพื่อนสหัชชานิรของเราคุยเรื่องธรรมะ ก, กันบ้างอะไรเนี้ยนะถึงเวลาออกไปวัดด้วยกันบ้างกระตุ้นมันเตือนมันจะช่วยให้เรารู้สึกได้เยอะขึ้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็มีผลนะในช่วงที่เรายังไม่แข็งแรงมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีกาลยาณมิตรช่วยกันเวลาเราอยากคิดเราอย่าไปคิดเลอะเทอะท่านสอนให้คิดเรื่องอนุสติ คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงการที่เราได้ทำความดีต่างๆอะไรเงี้ยคิดถึงสมถะคิดถึงการเจริญปัญญาคิดถึงอะไรที่มันดีๆคิดถึงธรรมะเวลา ค, คุยก็คุยกับถาวัตถุคุยเรื่องการมักน้อยสันโดษอะไรเงี้ยคุยกับพักพวกนะถ้าคุยกันเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็ไปหมดเพราะงั้นเราดํานิชีวิตนะใ ห, ให้มีระเบียบแล้วม่จะทาง่าย จะมีกำลังไม่ใช่เรื่อยๆมาเรียงเรียงนะเรียงไปไหนก็ไม่รู้นะ mm hmm. ดีขึ้นเดยวแล้วอัสตันใช้ได้แล้วเ mm hmm. บาแล้ว mm hmm. รู้สึกไป mm hmm. ป, ป, ปูเป้ปูเป้ว่างไงฮะอ้าวอ้าวหลวงพ่อถามเราแล้วมาถามหลวงพ่อ จะ yeah. ถูกต้องเลยรู้แล้วก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับทุกปีกจิตได้อารมณ์นะเกิดด้วยกันเกิดแล้วก็ดับรอบกันเออมันเป็นของมันเองนั่นแหละปุ้เป้ ด, ดูไปนั้นแหละนะไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกแล้วนะที่รู้ไปตามที่มันเป็นนะ แต่ปุูเป้ระวังอย่าไปเกรงขึ้นมานะดูให้สบายตอนนี้เกรลงดูออกไหมดออกค่ะเนี่ยรู้เลยว่าพอมัเรียนรู้เนี่ยเลิกมีตัวจิตเกรงขึ้นมาเออ้มันเป็นมุขเพราะว่ามันเกินสัเออใช่สันดานเดิมเนี่ยภาษาพากเรี่อมันมีอนุสัยมันเคยชินนะถูกต้องแล้วเห็นเองนันนน้นแหละดูไปเรื่อยๆนะ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 อะอะไรที่มันยุ่งเหยิงนะโยนมันทิ้งไปตั้งต้นใหม่ะดีแล้วกูเป้ดีแล้วมันเกรงขึ้นมาเราก็รู้ทันมันหลวงพ่อเคยตอนนั้นหลวงปู่ ด, ดูลไม่อยู่ละเข้าไปวัดป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ดูของเราเรื่อยไปดูแล้วจิตเป็นไหลลงไปแค่นี่หลวงพ่อคืนก็บอกเฮ้ยประโมดดูอะไรอย่างงั้นทําไมเราไม่ดูจิตดูใจของเราไปดูไอ้ตัวนู้น ไอ้นี่ยมันของถูกรู้ถูกดูทําไมถลับไปดูมันอย่างเงี้ยแต่ท่านไม่พูดยาวอย่างนี้นะท่านบอกเอ้ยโมท่ทําไมไม่ดูจิตโม่จะไปดูของที่ถูกรู้ท่านบอกอย่างเี้ยเราก็นึกว่าท่านสั่งให้ดูตัวผู้รู้คิดว่าได้เคล็ดวิชาลึกลับสุดยอดแล้วนะเ <c oughs> ข้ากุฏิี่ศศตูเลยแดูตัวผู้รู้นะมันกลายเป็นตัวถูกรู้อย่างที่ปูเป้เป็นอ่ะน้องก็สาว ก, กันไปเรื่อยเลยสาวสาวสาวน <c oughs> สาวอยจนจิตนี้นะสับสนหมดเลยวุ่นวายหมดจิตแทบจะบ้าตายนะ แตกกระจัดกระจายพอเช้าขึ้นมาหลวงพ่อจำมืดนะรีบเปิดประตูเรจะไปตีกับท่านนะว่ามาสอนกนรรมฐานอะไรให้เราเลือกเ <c oughs> ลือกปรากฏท่านก็เปิดประตูผาออกมาพร้อมๆกันนะท่านเล่นก่อนเลย <c oughs> ภาวนาไงไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> เอา้าเล่นเราซะก่อนละนะ <c oughs> แล้วก็บอกเราก็ภาวนา <c oughs> ผมก็ภาวนาของผมมาดีๆหลวงพ่อมาสอนอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> ท่านบอกไม่ได้สอนให้จงใจดูดตัวผู้รู้หรอกท่านสอนจะบอกแค่ว่าอย่าลงไปแช่กับสิ่งที่ถูกรู้บอกโตจะบอกแค่นี้ทำไมไม่บอกมีใช้ประโยคที่ทำให้เรางงเสระจิตหลวงพ่อนะฟุงอยู่ตั้งนานนะกว่าจะกลับเท่าที่นะเสียไปตั้งนานนะงั้นเวลาเราเดินพลาดนะอยา่าขยันถ้าเดินผิดน่ะรีบหยุดเลยตั้งต้นเอาใหมา่ อ่าอืมอืมเออนะดีละวจิตใจมันฟุ้งนะเราก็ให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวไว้หายสิเพราะว่าถึงไม่ทำอะไรมันก็หายเราฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดีละวกูเป้เอ้าวแล้วโค้ดของกูเป้อะทั้งสองคนอะเป็นไง ระวังนะถ้าทางจะสู้ลูกฝิ์ไม่ไหวอะไรน ะ, ด, นะดีนะดีภูเป้อย่าไปทำน้าเกินธรรมดามดูออกไหมทำไปตามธรรมดาวุธเป็นไงวุยิเอเอแค่รู้ทันใจเรานะใจเราเป็นกลางกับมัน ไม่ต้องไปอยากหายง่วงหรอกนะถ้าใจเราไม่เป็นกลางอยากหายง่วงนะรู้ทันใจที่อยากหายง่วงเลยนะถ้าใจเป็นกลางนะมันจะง่วงก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเอา้าวว่าไงต้อม ดีแล้วนะใครดูเลยคุณไทยทิพย์นะเราเราเห็นแล้วสักว่าเห็นไม่แทรกแต่งนะเห็นแนละ้วก็เหมือนเห็นคนอื่นอนะ่ะเห็นความรู้สึกคนอื่นมันมามาไปไปนะวันหนึ่งปัญญามันจะได้แจ้งเอาดาวว่อาอะไรดาวอะไรนะเอเอดีดี แต่เดิมเราจิตเราสติปัญญาเราหยาบต้องโมโหแรงๆถึงเห็นนะพอเราฝึกมากเข้าขัดใจเล็กๆก็เห็นอย่างโลภะก็เหมือนกันแต่เดิมต้องอยากมากๆก่อนถึงจะเห็นเดี๋ยวนี้แค่สมมติว่าสังเพงแล้วสบายใจแล้วชอบขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเริ่มเห็นนะเรนะาจะค่อยๆรู้ทันกิเลสที่ละเอียดละเอียดพอเรารู้ทันกิเลสตั้งแต่มันยังตัวเล็กเนี่ยมันง่ายนี่คนดูไม่เป็นต้อรอจนกิเลสตัวใหญ่นะ มันเหนื่อยสมพง์ดีนลเาบอกสมพง์ดีนะโยโยเตรียมต่อสู้อย่าแหลมเข้ามานะโยเอาจิมถ้าคุณที่อุ้มเด็กอะเป็นไงมาหลายปีละ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 อ่นั่นแหละเห็นสุขไม่บังคับไม่บังคับคุณรู้สึกไหมว่าตอนนี้จิตของคุณมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาแนละ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสว่างบ้างไม่สว่างบ้างก็ช่างมันนะมันของไม่เที่ยงหรอกอย่างตอนเนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมแล้วนะค่อยหันรู้ไปใจค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วล่ะคอยดูไปเรื่อยเรย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 ทนๆทฟังนิดนะฟังยากหลวงพ่อก็เห็นใจนะหลวงพ่อเป็นคนที่พูดอะไรฟังยากยากนะเมื่อวานก็มีคนมาจากการไฟฟ้าปล่อยผลิตเอามานิมนต์หลวงพ่อไปเทศบอกอุ้ยยังไม่เทศด อ, อกถ้าเทศ ต, ต้องไปเทศให้พวกลานทําก่อนรับนิมนต์ทางนี้ไว้ก่อนนะ <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็บอกบอกเขาบอกว่าโอ้หลวงพ่อเทศฟังยากเขาเถียงนะบอกฟังง่าย บอกั้นฟังไปเรื่อยๆตั้งไปัะพักนะที่จริงเป็นของธรรมดาธรรมดาแต่เราไม่ค่อยได้ยิดได้ฝังมันก็เลยดูยากๆธรรมะแต่จะง่ายเลยกลายเป็นยากขาเข้าใจอะไรลน่ะ ยังคิดอยู่ยังทับคิดอะไรนะาต้อง้ใจเองค่อาว่าเิดใจภาวะว่าคาอะไรเขเลยองรูว่าทำไมาไม่ใช่ไม่ใช่แค่รู้สึกเอานะยกตัวอย่างเรานั่งอยู่ยุงกัดแล้วเราคันเงี้ยคันอ่ะเพรรู้สึกอ๋อมันขัน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 อย่างนั่งหลวงพ่อไปเห็นนกหลวงพ่อไปนั่งคิดสงสัยจะนกยูอมั้งนี้คงไม่ใช่เพราะหางสั้นไปอย่างเงี้ยนั่งคิดไปยังไงก็ไม่รู้จังไงอกไอ้นกตัวนี้หรอกเพราะเราคิดเอาเองคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้ให้ความรู้จากการคิดนะอย่างเชื่อถือไม่ได้ อ่าอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบสมถะใช้เหตุใช้ผลเพื่อไปแก้นัสมถะเนี่ยจิตมันหงุดหงิดหาทางทำให้หายหงุดหงิดทำได้หลายอย่างนะเช่นพุทโธพุทโงก็หายหงุดหงิดหงุดหงิดน้องหงุดหงิดหนอเดี๋ยวมันก็หายหงุดหงิดหรือว่าเลี่ยงไปคิดเรื่องอื่นไปดูอย่างอื่นซนะเสียลืมลืมไปก็หายหงุดหงิด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 อะไรๆก็เป็นของข้างนอกไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยเราฝึกเนี่ยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาจแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้กับโลกธาตุข้างนอกนี้อันเดียวกันนี่ก็โกรดเป็นใช่ไหมนี่ก็โกรดเป็นนี่ก็โกรดเป็ น, น, ปปนมันเหมือนเหมืๆกันหมดอ่ะเสมอภาค ก, กันนี่ก็จะคืนกายคืนใจให้ธรรมชาติไปปล่อยวางนั่นเองถ้าเราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราอีกนะ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 อืเหมือนของคู่กันสองอันนี้เหมือนเหรียนนั่นเดียวกันมีสองด้าิกไปิกมาิกไปิกมา ไปออยู่กับปัจจุบันไปเป็นเป็นอย่างงั้นเป็นได้เป็นธรรมดารู้สึกเรื่อยๆรู้สึกไปใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายะดูไปงเี้ยดูจนวันหนึ่งเห็นมันเห็นใจคนอื่นอ่ะอยารู้เลยตัวเราไม่มีจริงๆหรอกเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาเล่าแมาตั้มบอกก็ฝึกไปฝึกไปนะดูไปกายก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราใจมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวเรามันอยู่ไหนอ่ะ เลยตกใจขึ้นมาเมื่อวานจำไม่ได้รับใส่เหมันเล่าจำได้ไหม <c oughs> <c oughs> บอกแอ ล, แลว่าตัวเรามันหายไปไหนหมดชักตกใจอีกแล้วว่าตัวเราหายอืมอื่ามันก็ผ่านมาผ่านไปโดยเฉพาะง่วงทางใจนะ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 อ่าคู เ, เป้บ้างไะ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 เ้บางคนบางสำนักก็มีสับใหม่ๆเยอะนะแล้วพูดกันไม่ได้หรอกบางสำนักบอกว่ามีจินตยานอย่างเงี้ย น, นะจินตยานไม่รู้แปลว่าอะไรพระไตรปิฎกไม่มีอะไรเงี้ยต้องถามก่อนว่าจินตยานเป็นยังไงก็กลายเป็นต้องมาเล่าสภาวะกันเพราะว่าเราไม่รู้บัญจัตที่ตรงกัน อยากให้นิ่งเหรอไม่ใช่มันรู้ไปรู้ไปงไั้แหละนะรู้ไปแล้วก็ดูที่ใจรู้ไปช่วงหนึ่งใจยังไม่ค่อยเป็นกลางขึ้นมาเช่นมันเบื่อหรือไม่มันก็เป็นทุกข์มากเลยเห็นทุกข์เห็นโทษบางคนก็รู้สึกเบื่อหน่ายมากบางคนก็เห็นแต่ว่ามันน่ากลัวมีหลายแบบแต่ว่าไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะใ ห, ให้รู้ทันรู้ทันจิตใจของเราท่มันเป็นกลางมันเอง ทางเดินมันก็อย่างนั้นแหละบัดใจลอยแล้วบัดเอาโยรู้สึกไวโยหนีไปแต่ไนเนไมื่อไรหนีไปตั้งหลักไกลเอาคุณผู้ชายนี่ละ่ะมาหลายคนละเป็นไงบ้างเหลอเป็นไงพอรู้เรื่องบ้างไหม เออดีเออดีอดอแล้วากนใจว่าะจะจมันกนั่งแล้วมันมีัแอมันกลับมามจะเดินไปแล้วมันิดเหมือนมันมันมอืมแล้วอไปนั่งทุกเนี่ยมันเหมือนก็างบาีมั น, มนมคนลไป อ, อ่คือคือคือเราที่เราทำเนี่ยเราไปฝึกเพื่อจะน้อมใจเข้าหาความนิ่ง เราไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยใจเราจะต้องสงบจะต้องนิ่งนะพอเราลงมือเดินจงกรมเราก็เริ่มน้อมใจไปให้มันนิ่งหรือบางครั้งเราสติของเรานะีไปจับไว้ในอารมณ์อันเดียวเช่นเราสติเราไปจับอยู่ที่เท้าไปเรื่อยๆนะสติพอลงไปแช่นิ่งๆนงเนี่ยใจมันนิ่งอ่ะมันเหมือนน้ำเน่าอ่ะมันจะเริ่มซึมๆไปนะเวลานั่งก็นั่งแล้วก็ใจมันก็เคลิมๆไปนะลองเปลี่ยนใหม่ลองลืมตานะ รู้สึกรู้สึกอยู่ในโลกปัจจุบ you know ันนี้รู้สึกอย่างธรรมดาเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะยกตัวอย่างเราสมมุต hmm. ิเราดูหน <WWE> <proposals> ังนะเห็นนางเอกสวยใจเราชอบหรือว่าชอบเห็นไหมเราไม่ได้ตั้งท่าปฏิบัตินะเราไม่ใช่ว่าต้องนั่งอย่างนี้ต้องกำลังเดินจงกรมถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยฝึมเช่นคนเขาชมเราเราดีใจเรารู้ว่าดีใจคนเขาว่าเราเราเสียใจรู้ว่าเสียใจอยู่ในชีวิตอย่างนี้เราฝึกไปเรื่อยๆ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 เห็นไหมตอนเดินลืมไปแล้วรู้สึกไหมถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะทุกก้าวที่เราเดินเราเดินด้วยความรู้สึกตัวเป็นเดินจงกรมหมดเลยจะเดินไปธุระเดินไปตลาดเดินไปทํางานเดินไปดูอะไรนะเดินโดยอย่างรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่น้อมใจให้นิ่งนะเดินด้วยใจที่ปกติธรรมดาที่สุดเลยของคุณอาตมาทําหน้าให้ดูนะเทียบเหน้าทําหน้าให้ดูเวลาคุณเริ่มเดินจงกรมคุณจะทำเงี้ยใจของคุณจะอย่างนี้ เนี่ยเราจะเป็นประคองให้นิ่งๆเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็อซึมนะเราแกล้งทํานะเพราะเขาเข้าใจไม่ได้ตรงนี้คืออยู่ที่เราต้องรีบฝึกคือร่างกายเนี่ยยังไงก็เสื่อมโดยเฉพาะยางยิ่งสมองเนี่ยจะต้องเสื่อมธรรมชาติเป็นงี้ยนี่สมองส่วนไหนที่เราใช้บ่อยนะมันก็เสื่อมช้า เวลาที่เราฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยสมองส่วนนี้จะถูกใช้งานเนยอะส่วนหน้านเนี้ยเพราะฉะนั้นจิตใจเราจะมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ได้แต่ถ้าคนไหนไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะใช้สมองส่วนที่ใช้กิเลสนนะ่ะใช้กับอารมณ์อารมณ์สมองส่วนนี้ถูกใช้เยอะเลยมันจะพัฒนาอยู่แนะสมองส่วนที่ดีส่วนหน้านี่ค่อยๆต อ, อไปยิ่งแก่ยิ่งร้ายกว่าเก่าเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะต้องฝึก อววันนี้สมควรแก่เวลานะเชิญ